คุณผู้ฟังคะเรื่องของพูดผีวิญญาณเป็นเรื่องที่ข้องใจแล้วก็สงสัยกันมานานว่ามีอยู่จริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่าสนุกๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยพบเห็นแล้วก็ไม่เคยสัมผัสกับตัวเองค่ะนอกจากจะได้ยินแล้วก็ได้ฟังคนอื่นเล่าให้ฟังนะคะหรือว่าจะเป็นการอ่านจากเรื่องราวของหนังสือเมื่อไม่เคยเจอเจอด้วยตนเองก็ย่อมไม่เชื่อนะคะว่าผีมีอยู่จริงค่ะ ผู้ที่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงก็คือผู้ที่เผชิญกับเหตุการณ์ซึ่งเรียกว่าผีหลอกมาแล้วนะคะปรากฏการเหล่านั้นไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าเป็นการเผชิญหน้ากับสภาวะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตารู้เห็นได้ด้วยตัวเองจนไม่อาจปฏิเสธได้ค่ะว่าไม่เป็นความจริง สำหรับผู้ที่เคยพบพานหรือว่าพบเห็นพูดผีวิญญาณแล้วก็ปรากฏการันเหนือโลกเหนือธรรมดานั้นเชื่อว่ามีอยู่ไม่น้อยนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้นำมาเล่าเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับรู้เท่านั้นซึ่งขณะเดียวกันค่ะก็มีบุคคลอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเคยพบเห็นแล้วก็เผชิญหน้ากับวิญญาณนะคะหรือว่าปรากฏการของพูดผีมาแล้วแลวก็ยินดีที่จะเปิดเผยตามความเป็นจริง บุคคลดังกล่าวนั้นมีฐานะทางสังคมและก็เป็นที่เชื่อถือได้ซึ่งจะนำมาถ่ายทอดให้ได้รับรู้ดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่คือเกิดมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ร้อยตำรวจตรีโสพลเพิ่มสียศในขณะนั้นนะค ะ, ะเผชิญมาเมื่อครั้งไปอบรมเป็นนายตำรวจอยู่ที่โรงเรียนสืบสวนกรมตำรวจวังสวนสุนันทาอาเภอดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่12กันยายนพุทธศักราช2506 ถึงวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2506ค่ะการอบรมนักเรียนนายร้อยรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด60คนค่ะทุกคนต้องกินอยู่หลับนอนอยู่ที่สถานที่อบรมทุกวันเว้นวันศุกร์และก็วันเสาร์ให้กลับบ้านได้แค่2วันสถานที่พักหลับนอนของผู้อบรมเป็นเรือนไม้2ชั้นกว้างขวางสะดวกสบายและก็มีเครื่องใช้ประจำตัวแต่ละคนครบครันค่ะ วันแรกที่เข้าไปพักอย่างเรือนไม้แห่งนี้นะคะก็พบกับวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ที่เดิมแสดงฤทธิ์ซิแล้วนั่นคือตอนกลางคืนเวลาประมาณตีหนึ่งกว่ า, วาร้อยตำรวจตรีโสพลและก็ผู้มารับการอบรมทุกคนได้ยินเสียงคนคล้ายกับใส่รองเท้าแตะนะคะเดินไปมาทั่วทั้งเรือนพักไม่ใช่เสียงคนคนเดียวหากแต่ว่ามีหลายคนค่ะ ออกไปดูก็ไม่เห็นมีใครแปลกปลอมเข้ามาจึงประเมินเอานะคะว่าเป็นเสียงผีแน่ๆแต่ว่าอาศัยว่าอยู่กันมากคนนะคะจึงไม่ตื่นตระหนกตกใจเดินฟังเสียงคนเดินพลุกพล่านโดยไม่มีตัวตนในห้องอบ้างนอกบ้านบ้างนะคะจนนอนหลับไปพอวันรุ่งขึ้นนะคะเหตุการณ์ก็เงียบเป็นปกติไม่มีเสียงเดินเกิดความรู้สึกหวาดเสียวอีก แต่ว่าพอถึงคืนที่3ค่ะร้อยตํารวจตรีโสพลก็เจอเข้าเต็มๆคนเดียวตอนนั้นดึกมากแล้วนะคะทุกคนซึ่งนอนอยู่บนเตียงเล็กๆแบบเตียงทหารกําลังหลับสนิทร้อยตํารวจตรีโสพลนะคะก็รู้สึกเหมือนเคลิมหลับเคลิมตื่นนะคะเจ้าว่าฝันก็ไม่ใช่เจ้าว่าตื่นก็ไม่เชิงแต่ว่าเห็นเงาดํามืดของใครคนนึงเดินทะลุ ป, ประตูมุ้งลวดเข้ามาเงาดํานั้นมองไม่ออกนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เพราะว่าไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นใครแล้วก็ดูมัวมัวไปหมดเงาร่างดำๆเดินตรงมายัง100ร้อยตำรวจตรีโสพลค่ะในความรู้สึกขณะนั้นบอกว่าการเข้ามาหาไม่ใช่การประสงค์ดีแน่นอน100ร้อยตำรวจตรีโสพลสะดุ้งตื่นทันที แต่ว่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นอะไรด้วยความง่วงจึงนอนหลับต่อไปนะคะแต่ว่าพอเคลิมเงาร่างเดิมก็เดินทะลุประตูมุงลวดเข้ามาเช่นเดิมแล้วก็ตรงรี่เข้ามาที่เตียงทาให้ร้อยตำรวจตรีโสพลเกิดความหวาดกลัวจนลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ก็แน่ใจแล้วนะคะว่าไม่ใช่ความฝันก็เลยทาให้นอนไม่หลับจนกระทั่งรุ่งเช้า พอในคืนต่ อ, ต อ, ตอมาร้อยตำรวจตรีโสพลก็ฝันไปค่ะว่าตัวเองนี้เข้าไปอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้หญิงซึ่งแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ไว้ผมทรงแบบผู้หญิงโบราณ ผู้หญิงเหล่านั้นพูดจาหยอกล้อหัวรอต่อกระซิบกันอย่างสนุกสนานดุดไม่มีร้อยตํารวจตรีโสพลร่วมอยู่ในสถานที่แห่งนั้นด้วยพอตื่นขึ้นมาก็ยังได้ยินเสียงพูดจาหยอกล้อกันอยู่ในห้องนะคะก็เลยทําให้ร้อยตํารวจตรีโสพลฉุกคิดขึ้นมาว่าเห็นทีจะไม่ใช่ความฝันที่ธรรมดาซะแล้วดังนั้นเมื่อกลับบ้านจึงอาราธนาพระเครื่องของหลวงพ่อทวดขึ้นแขวนคอติดกันเพื่อเอาไว้ป้องกันผีนะคะแล้วก็กลับเข้ามาอบรมต่อ ในคืนแรกก็เจอดีอีกค่ะคือฝันเห็นผีลักษณะตัวดำทะมึนเลยนะคะเดินตรงเข้าม า, าหาเหมือนเช่นครั้งก่อนแต่ทว่าคราวนี้ไม่ได้เข้ามาใกล้เพียงแต่ยืนอยู่ห่างอย่างเห็นชัดเจนดังนั้นก็ทำให้ร้อยตำรวจตรีโสพลสะดุ้งกลัวนะคะด้วยความตกใจแล้วก็พอตื่นขึ้นมาได้สติครบถ้วน ความกลัวขณะอยู่ในความฝันก็เปลี่ยนเป็นความโกรธทุกครั้งค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเพราะว่าตอนแรกๆที่ฝันเห็นผีเนี่ยแล้วก็คล้องคอด้วยหลวงพ่อทวดผีมันก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้แต่ว่ามาถึงคืนหลังๆผีมันกล้าลองดีถึงกับเข้ามานั่งทับเข้าเอาดื้อนะคะร้อยตํำรวจตรีโสพลก็จําได้ค่ะว่าในฝันนั้นกําลังนอนตะแคงพอดีผีมานั่งทับขาก็รู้สึกว่าหลวงพ่อทวดแผ่อนุภาพคล้ายกับกระแสไฟฟ้าพุ่งไปยังตัวผีนะคะ เจ้าผีอุบาท ต, ตัวนี้ก็เลยรีบพผลหนีไปทันทีทําให้ร้อยตํารวจตรีโสพลนี่มีกําลังใจขึ้นมาที่ผีพ่ายแพ้แก่พุทธานุภาพของพระแต่ว่าในคืนหลังๆผีมันไม่กลัวพระซะแล้วมันกระโดดขึ้นมาทับเฉยเลยในขณะที่มันกระโดดขึ้นมานั่งทับนั้นร้อยตํารวจตรีโสพลก็รู้สึกนะคะรู้สึกตัวแต่ว่ากระดุกกระดิกไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกได้แต่อึกอักอยู่อย่างนั้น แล้วก็เป็นเวลานานกว่าจะขยับตัวได้ความรู้สึกว่าถูกผีทับหรือว่าผีอัมก็ค่อยๆหายไปจากนั้นก็นอนหลับลับตื่นๆทั้งคืนเพราะว่ากลัวผีจะมาเล่นสนุกด้วยเมื่อหลวงพ่อทวดคุ้มครองไม่ได้ผลค่ะร้อยตํารวจตรีโสพลก็เลยเปลี่ยนเป็นพระหลวงพ่อวัดมะาขามเท่าก็คือหลวงพ่อสุกนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ผลอีกเช่นกันอาศัยคุณพระช่วยให้ผีมารบกวนหรือว่ารังควานไม่สําเร็จร้อยตํารวจตรีก็เลยหาทางนะคะ ที่จะป้องกันผีไม่ให้มาก่อกวนก็เลยทำพิธีค่ะไหว้เจ้าที่เจ้าทางซึ่งก็ไม่มีอะไรดีขึ้น พอนอนหลับที่ไรจะฝันเห็นผีทุกทีแล้วก็ในระยะหลังๆนะคะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวหากแต่ว่ามีมาปรากฏหลายตัวค่ะทั้งยังไม่ได้หยุดอยู่แทบทุกท่าทั้งยังมาแบบไม่หยุดแทบทุกคืนนะคะคือจะหนีไปนอนที่ไหนก็ไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นกฎระเบียบบังคับไว้ต้องอดทนสู้กับวิญ ญ, ญาณลึกลับแทบทุกคืนแม้จะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาหรือว่าจะเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างไรบรรดาผีทั้งหลายก็ไม่ยอมรับรู้แล้วก็รับฟัง พอข้าคืนก็จะมาปรากฏตัวในความฝันเช่นเดิมและที่น่าประหลาดก็คือผีจะมาหาในความฝันตอนตีหนึ่งกับอีก7นาทีค่ะซึ่งตรงกันทุกคืนร้อยตำรวจตรีโสพลก็จะสะดุ้งตื่นในเวลานี้เช่นกัน ไม่เพียงแต่ร้อยตารวจตรีโสพลจะถูกผีหลอกลักษณะนี้ยังมีผู้อื่นนะคะที่รับการอบรมซึ่งนอนอยู่ใกล้ๆกันก็ถูกผีหลอกแบบเดียวกันหลายคนแต่ละคนต้องอดทนอดกลั้นระงับความกลัวเรียกว่าประสาทกินไปตำ ต, ตามกันเลยทีเดียวค่ะกว่าการอบรมเป็นตารวจจะสิ้นสุดสำหรับร้อยตารวจตรีโสพลท่านนี้ การเผชิญผีที่วังสวนสุนันทาไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยเจอมาก่อนนี้แล้วครั้งนั้นอายุได้ประมาณ18ปีค่ะพักอยู่ที่บ้านพักนายสิบณพันสองนะครับที่พญาไทคืนนั้นดึกพอสมควรแต่ว่าไฟยังเปิดสว่างร้อยตำรวจตรีโสพลก็ กำลังนอนหลับแล้วล่ะค่ะแต่ว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมามองผ่านมุ้งออกไปก็เห็นผีในรูปลักษณะที่แบบหัวโล้นนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนเปรตค่ะพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นผีตัวนี้ยืนจ้องหน้าเธอมึงทึงตอนแรกก็นึกว่าตาฝาดลองเอามือขยี้ตาดูแล้วก็ดูใหม่ก็ยังคงเห็นอยู่เป็นผีหัวโล้โลนนะคะยืนอยู่ที่เดิม ร้อยตารวจตรีโสพล น, นะคะได้แต่นั่งตะลึงมองดูจนกระทั่งผีนี่หายไปเรียกว่าการเห็นผีหรือว่าเห็นวิ ญ, ญญาณมาเกี่ยวข้องด้วยนี่ดูเหมือนจะเป็นประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์แต่ว่ามักจะหนีไม่พ้นกับพูดผีวิญญาณเอาซะเลยนะคะสําหรับร้อยตํารวจตรีโสพลค่ะเชน่นกันกับเมื่อปีพศ2494นะคะตอนนั้นเข้าเป็นตํารวจแล้วขณะเกิดเหตุก็กําลังทําหน้าที่เฝ้ายามอยู่ที่สํานักงานประปาลุมพินีค่ะ วันนั้นตรงกับวันที่29มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดการกรบฏแมนฮัตตันโดยทหารเรือกลุ่มหนึ่งนะคะก่อการกรบฏขึ้นมีการสู้รบระหว่างทหารเรือกับทหารบกหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพและมีผู้คนล้มตายจำนวนมากและส่วนมากเป็นทหารเรือซึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการก่อกรกบฏครั้งนั้น ระหว่างที่ร้อยตำรวจตรีโสพลทำหน้าที่เฝ้ายามอยู่นะคะเกิดเคลิ้มหลับไปแล้วก็ฝันไปว่ามีทหารบกประมาณ20คนค่ะในชุดสนามเข้ามาหาแล้วก็ถามว่าที่นี่ที่ไหนร้อยตำรวจตรีโสพลก็ย้อนถามว่าพวกคุณมาทางไหนกันละ่ะทหารบกเหล่านั้นก็ชี้มือไปทางราชประสงค์แสดงว่าพวกเขามาจากทางราชประสงค์ร้อยตารวจตรีโสพลจึงแนะนาว่าพวกคุณกลับไปทางเก่าเถอะแถวนี้ทหารเรือมีเยอะ ทันใดนั้นทหารบกทั้ง20คนก็ร้องโอดโอยด้วยเสียงดังลั่นประหนึ่งว่าได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนะคะเสียงร้องนั้นดังสนัน่นจนร้อยตำรวจตรีโสพลตกใจตื่นนะคะลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ก็ชักไม่แน่ใจว่านี่มันคือความฝันหรือว่าเป็นความจริงกันแน่เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับเกิดขึ้นจริงจึ ง, จงลุกมาถามคนยามประปาบอกว่า เมื่อสักครู่นี้มีทหารบก20คนมาที่นี่หรือเปล่าตอนนี้เขาหายไปไหนกันหมดคุณที่เป็นยามนะคะก็ตอบว่าไม่เห็นมีทหารที่ไหนมาเลยมีแต่เมื่อเช้านี้ทหารบก20คนถูกทหารเรือยิงตายหมดทุกคนร้อยตำรวจตรีโสพลได้ยินคำตอบค่ะถึงกับคนลุกเกรียวเพราะว่าที่ฝันเห็นทหารบก20คนมาหาคงเป็นวิญญาณของทหารเหล่านั้นซึ่งถูกยิงตายอย่างแน่นอน การที่พวกเขาตายอย่างกระทันหันหรือว่าสิ้นใจตายแบบไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวเช่นนั้นนะคะจิตวิญญาณแต่ละคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองตายไปแล้วก็ได้จึงได้แต่เร่าร้อนทุรนทุรายแล้วก็หลงวนเวียนอยู่ณนะบริเวณที่ตัวเองตายนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวอันประสบการณ์อันเป็นประสบการณ์เผชิญพูดผีวิญญาณของร้อยตำรวจตรีโสพล น, นะคะซึ่งเกิดขึ้นจริง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วก็ระทึกใจค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2509เรียกว่าเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์รายวันหลายวันกันเลยทีเดียวนั่นคือบ้านหลังหนึ่งเกิดมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุนะคะและเกิดขึ้นบ่อยต้องคอยไล่ดับตลอดเวลา การที่ไฟลุกขึ้นมาได้เองไม่มีใครมาแอบจุดค่ะไม่ใช่เกิดจากความประมาทไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามีสารเคมีไวไฟใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าไฟที่ลุกขึ้นมานั้นแล้วก็ลุกขึ้นต่อหน้าต่อตาของผู้ที่เฝ้าดูได้ซ้าเจ้าของบ้านที่เผชิญภาวะอกสันควัญหายไม่สามารถอธิบายได้นะคะว่าเพราะเหตุใดจึงมีไฟลุกไหมขึ้นมาเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงซึ่งมาสอบสวนสืบสวนนะคะแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็หมดปัญญาจะหาหลักฐานมาแสดงให้ทราบแล้วล่ะค่ะว่าไฟที่ลุกไหม้ขึ้นมาได้อย่างไรบ้านที่เกิดเหตุเรื่องแปลกประหลาดเหลือเชื่อ น, นี้คือบ้านเลขที่21ทับ1ซอยโรงเลี้ยงเด็กตำบลมหานาค อ, อําเภอป้อมปราบกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าของบ้านคือร้อยเอกอุดมชนเลขานะคะ เป็นรอนอค่ะนายทหารเรือประจำกองการเงินกองทัพเรือและนางกิมส่วนภรรยานะคะบ้านหลังนี้สมัยก่อนเป็นของนางปุ่นอายุประมาณ70กว่าปีค่ะร้อยเอกอุดมซื้อต่อมาในราคา 250,000 บาทเมื่อ4ปีก่อนหลังจากนั้นก็ได้ตกแต่งแล้วก็ทาสีใหม่ก่อนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในตอนแรก ตอนแรกที่เข้ามาก็อยู่เป็นปกติดีทุกอย่างไม่มีเหตุการณ์น่าตื่นระหนกตกใจอะไรจนอยู่กันมาถึงปีที่สี่นะคะร้อยเอก อ, อุดมเกิดนอนไม่หลับจะดึกดื่นค่อนคืนแค่ไหนในตากลับสว่างทำอย่างไรก็นอนไม่หลับทำให้รู้สึกทรมานแล้วก็หงุดหงิดมากนางกิมซ่วนจึงไปหาหมอดูให้ช่วยดูนะคะว่า อาการที่ร้อยเอกอุดมนอนไม่หลับเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรหมอดูก็บอกว่าเนื่องจากสารพระภูมิทาสารพระภูมิเนี่ยไม่ถูกต้องให้กลับไปทำใหม่นางกิมซ่วนแย้งว่าที่บ้านมีสารพระภูมิเดิมอยู่แล้วหมอดูก็ยังยืนยันให้กลับไปทำใหม่โดยให้ตั้งสารพระภูมิมีเสาสี่ต้นนางกิมซ่วนจึงกลับมาทำสารพระภูมิเสาสี่ต้นตามที่หมอดูบอกค่ะ ตั้งแต่ทําสารพระภูมิเสา4ต้นขึ้นมาซ้อนกับสารพระภูมิซึ่งมีอยู่เก่าวเหตุการณ์ประหลาดประหลาดก็เริ่มเปิดฉากขึ้นมาทันทีนะคะเรียกว่าตอนแรกก็เกิดมีหนอนตัวใหญ่ยาวผิดปกติขึ้นมาต่ายอยู่ในส้วมซึ่งเป็นส้วมซึมสองสตัวนะคะเมื่อราดน้ําลงไปก็หายไปไม่กี่วันก็มีลักษณะเดิมเกิดขึ้นก็ต้องเอาน้ําราดลงไปเช่นเดิมพอหนอนหายไปเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เหลือเชื่อขึ้นมาอีกนั่นคือประตูส้วมเปิดปิดเองได้นะคะ วันนึ่งค่ะเปิดปิดดังปังเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนจะไม่มีอะไรผู้ที่อยู่ในบ้านนะคะก็ต่างพากันตกใจ อกสันขวันหายแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงคะ่ะนางกิมส่วนนึกได้เขาว่ารู้จักกับพระภิกษุชื่อแดงอยู่ที่เขาเชิงเทียนนะคะท่านผู้นี้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมีพุทธาคมเข้มขลังจึงได้เดินทางไปในมร ส, สการแล้วก็กราบเรียนปรึกษาว่าจะทําอย่างไรดีพระภิกษุก็ได้แนะนําให้นําเครื่องเส้นด้วยข้าวต้มแดงข้าวต้มขาวไปถวายที่สารเจ้าเก่าแล้วก็ขอขมาลาโทษเสียเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในบ้านอาจสืบเนื่องมาจากมี การตั้งสารพระภูมิใหม่ทำให้เจ้าที่เจ้าทางซึ่งอยู่แต่เดิมไม่พอใจจึงได้แสดงปรากฏการให้รับรู้ค่ะนางกิมซ้วนกลับมาทำตามคำแนะนำนั้นแต่สถานการณ์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยประตูห้องซ้วมก็ยังแผลงฤิ์เปิดเปิดปิ ด, ป, ดปิดอยู่เหมือนเดิมต่อมาประตูซ้วมที่เปิดปิดเองหายไปเป็นเวลาสองเดือนนะคะพอทุกคนในบ้านเริ่มหายใจโล่งอกก็กลับมาแสดงฤิอีก แต่ก็เป็นป น, ปนหายๆเช่นนี้เรื่อยมากระทั่งได้นิมนต์พระอาจารย์มาจากบ้านบึงจังหวัดชนบุรีรูปหนึ่งมาที่บ้านท่านก็ทําพิธีให้โดยทําน้ำมนต์ค่ะรถแล้วก็เอาสายเศษโรยให้รอบบ้านจากนั้นท่านก็ลาจากไปเมื่อพระอาจารย์พลบ้านไปครู่เดียวนะคะรอยเอกอุดมคิดว่าจะกำจัดปัดเป่าเรื่องร้ายให้หายไปจนหมดสิน้นจึงได้ใช้สายเศกซัดหลังคาบ้านเป็นการใหญ่โดยพลการ เท่านั้นแหละค่ะเป็นเรื่องทันทีเลยประตูห้องซ้วมซึ่งเคยเปิดเปิดปิดปิดคราวนี้ปิดแน่นจนเปิดไม่ออกต้องงัดบานเกล็ดเข้าไปเปิดวันรุ่งขึ้นประตูซ้วมก็เปิดปิดกระแทกเสียงดังปังปังถึง11ครั้งด้วยกันคุณผู้ฟังคะคนในบ้านนี้เขาจะอยู่กันได้หรือคะ ทุกคนนี้แบบว่าอกสันขวัญผวากันทั่วทุกคนนะคะได้แต่เกาะกลุ่มกันอยู่ด้วยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าทุกคนเชื่อว่าเหตุการณ์ตลาดที่เกิดขึ้นต้องมีสาเหตุจากการกระทำของวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในบ้านนี้อย่างแน่นอนและที่วิญญาณแผลงฤทธิ์หนักกว่าทุกครั้งคงเนื่องมาจากร้อยเอกอุดมนำทรายเศษไปสัด ส, สาดที่หลังคาค่ะ จนกระทั่งวันที่5มกราคม 2,509 เวลากลางวันค่ะเหตุการณ์ได้เลวร้ายหนักกว่าเดิมเข้าไปคือเมื่ออยู่ๆนะคะก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นตรงที่นอนหมอนมุง้งแล้วก็ลามไปไหม้ที่ข้างฝาคนในบ้านนี่ร้องเอะอะโวยวายค่ะรีบหานะ้ำมาดับเป็นโกลาหลนเลยทีเดียวพอดีบ้านที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจดับเพลิงสวนมะลินะคะรถดับเพลิงจึงรีบมาช่วยฉีดน้าดับไฟได้ทันท่วงที ความเสียหายมีเพียงที่นอนหมอนมุ้งถูกไฟไหม้หมดและฝาบ้านค่ะเป็นรอยไหม้เกรียมค่าเสียหายประมาณ100บาทเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดไฟไหม้แต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆแสดงว่าไฟไหม้เพราะความประมาทหรือเจตนาวางเพลิงแต่อย่างใดนะคะวันที่6มกราคมค่ะ2509 วันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ5โมงเช้าหรือ1 1นาฬิกาก็ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นอีกครั้งคราวนี้นะคะไม่เสือกับหมอนแล้วก็เศษผ้าอีกเล็กน้อยเจ้าของบ้านได้ช่วยกันดับไฟได้ทันท่วงทีก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึงสถานที่เกิดเหตุเรียกว่าไฟไหม้คราวนี้นะคะไม่เสียหายอะไรมากนักและก็หาสาเหตุไม่พบอีกเช่นกันว่าทำไมถึงเกิดไฟไหม้ จากเหตุการณ์ไฟไหม้ถึงสองครั้งติดต่อกันเพียงแค่ข้ามวันประกอบกับหาหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุไม่พบอีกทั้งเจ้าของบ้านได้ยืนยันว่าไฟลุกไหม้ขึ้นเองรวมทั้งร้อยเอกอุดมและนางกิมส่วนหัวหน้าครอบครัวได้ให้การบอกเล่าเรื่องราวแปลกๆซึ่งเกิดขึ้นในบ้านทำให้มีเหตุน่าสงสัยหลายประการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตารวจไม่ยอมเชื่อค่ะว่า การเกิดไฟไหม้จากการกระทําของพูดผีปีศาจหรืออำนาจลึกลับแต่อย่างใดเหตุนี้นะคะพลตำรวจตรีหม่อมหลวงเจริสุทัศน์หัวหน้ากองดับเพลิงผู้บังคับการนะคะจึงได้ส่งรถดับเพลิงชนิดบรรจุน้ำอยู่ในตัวรถพร้อมตำรวจดับเพลิงหกนายไปรักษาการที่บ้านร้อยเอกอุดมตลอด24ชั่วโมงค่ะสาหรับร้อยเอกอุดมเจ้าของบ้านหลังจากเกิดไฟไหม้ในบ้านครั้งที่2 จึงได้จัดการตัดไฟฟ้าในบ้านทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและตัดปัญหาข้อสงสัยว่าการที่เกิดไฟไหม้อาจเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อตค่ะในวันเดียวกันนั้นย่อมไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดไฟไหม้ซ้าซ้อนขึ้นแต่ว่าในตอนบ่ายของวันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจขึ้นจนได้ นั่นคือขณะที่รอยเอกอุดมเดินลงบันไดบ้านค่ะกล่องพ้าห่มที่พับวางอยู่ด้านล่างก็มีไฟลุกพรึบขึ้นมานะคะคนในบ้านและตำรวจที่เฝ้ารักษาการอยู่ก็รีบมาช่วยกันดับไฟชุลมุนและไฟก็ดับลงอย่างง่ายดายค่ะคราวนี้ตารวจที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตาของตัวเองหายสงสัยข้องใจนะคะว่ามีการแอบวางเพลิงอย่างแน่นอนเพราะผ้าห่มที่ถูกไฟไหม้ ไม่มีร่องรอยว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงติดอยู่และในบริเวณใกล้เคียงไม่มีใครอยู่ใกล้พอที่จะจุดไฟเผากองพ่อห่มได้ยังไม่ทันจะโล่งอกโล่งใจได้เต็มที่ค่ะหลังจากไฟดับนะคะไดะ้หลังจากไฟดับได้ทันการนะคะความโกลาหลก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเสื้อของร้อยเอกอุดมที่แขวนไว้ข้างฝาเกิดลุกพืบขึ้นมาทั่วตัวเสื้อต้องช่วยกันดับวุ่นวายอยู่พักใหญ่เหตุการณ์จึงสงบ นะคะแต่ว่าก็ต้องเสียเสื้อสุดที่รักไปตัวหนึ่งคราวนี้ตํารวจดับเพลิงที่มารักษาการแล้วก็ได้เผชิญกับภาวะเหลือเชื่ออย่างเต็มตาสิ้นข้อสงสัยนะคะทุกคนก็วิจารณ์กันว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเองแบบนี้ต้องมีการกระทําของวิญญาณอย่างแน่นอนและคงเป็นวิญญาณที่โกรธเกรี้ยวอย่างรุนแรงถึงได้จ้องคอยบันดาลให้เกิดไฟไหม้ไม่หยุดไม่หย่อนขณะกําลังจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างออกรถค่ะ ก็เห็นควันขโมงลอยออกมาจากหน้าต่างชั้นบนของเรือนไม้สองชั้นด้านหลังเรือนใหญ่นะคะตารวจดับเพลิงก็วิ่งขึ้นไปทันทีเห็นเสือจันทบูนห่อม้วนที่นอนของหลานชายเจ้าของบ้านชื่อนายวีนัดสีประเสริฐก็กําลังถูกไฟไหม้ก็เลยอุ้มม้วนเสือกับที่นอนโยนลงมาที่พื้นด้านล่างซึ่งเป็นพื้นซีเมนแล้วก็สาดน้ำดับไฟไฟดับง่ายค่ะ ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขึ้นไปตรวจดูเรือนไม้สองชั้นทั้งชั้นล่างและชั้นบนอย่างละเอียดเพื่อมองหาร่องรอยของการเกิดไฟไหม้ตำรวจจําได้ว่าที่นอนปูแผ่อยู่ใกล้ๆกับโต๊ะเขียนหนังสือส่วนเสือจันทบูรปูรองอยู่ข้างล่างแต่ตำรวจขึ้นไปเห็นตอนไฟกําลังลุกไหม้นั้นที่นอนกับเสือถูกม้วนเป็นก้อนกลมๆทั้งๆ ท, ที่เวลานั้นไม่มีใครอยู่ที่เรือนไม้สองชั้นเลยแม้แต่คนเดียวนะคะใครเป็นผู้ม้วนเสือหุ้มที่นอน และใครเป็นผู้จุดไฟเผาตำรวจยังหาคำตอบไม่ได้คราวนี้ตำรวจต้องแยกย้ายกระจายกำลังกันไปเฝ้าดูตามจุดต่างๆรอบบ้านค่ะเพื่อคอยระวังเหตุร้ายจากไฟไหม้ซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ตำรวจหายใจสบายๆได้อีกไม่เท่าไหร่นะคะก็ต้องวิ่งวุ่นกันเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นในห้องส่วนตัวของนางวันเพนบุตรสาวของเจ้าของบ้านค่ะสิ่งที่ไหม้คือเสื้อของนางสาววันเพนซึ่งถอดลุมพนักเก้าอี้ไว้ การดับไฟก็เป็นไปอย่างง่ายดายเช่นทุกครั้งหลังจากไฟสงบลงนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้นําเสื้อของนางสาววันเพนส่งไปพิสูจน์ที่กองหลักฐานโดยด่วนพร้อมกับเขียนรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นเองอย่างละเอียดไปยังผู้บังคับบัญชานะคะเหตุการณ์ผ่านไปโดยไม่มีไฟไหม้เพิ่มขึ้นอีกค่ะเมื่อถึงกลางคืนเหตุการณ์ก็สงบเงียบเป็นปกติจนถึงรุ่งเช้าจนเมื่อวันที่7มกราคม2509 ตำรวจแล้วก็เจ้าของบ้านค่ะเตรียมตัวรับเหตุการณ์ไฟไหม้เต็มที่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเงียบงนันไม่มีเหตุการณ์อะไรทำให้ออกสั่นขวัญหายเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าจนบ่ายกระทั่งเวลา15นาฬกาหนาทีหรือบ่าย3าโมงครึ่งนะคะไฟอุบัติซึ่งสูญหายไปนานก็แผลงริดขึ้นที่ตู้เสื้อผ้าของนางสาววันเพนซึ่งปิดใส่กุญแจไว้ เมื่อไฟลุกไหม้พรึบขึ้นมาตำรวจก็ต้องเพ่นกันไปดับวุ่นวายและไฟก็สงบลงอย่างง่ายดายเช่นครั้งก่อนๆค่ะคราวนี้ตำรวจต้องขนตู้ใส่เสื้อผ้าส่งไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาร่องรอยผิดสังเกตเป็นชิ้นที่2วันต่อมาคือวันที่8นะคะมกราคม 2,509 เกิดไฟไหม้ขึ้นอีก2ครั้ง ครั้งแรกนะคะเกิดขึ้นเวลาเจ็ดนาิกานาทีในห้องนอนของสาวใช้ที่ชื่อว่านางสาวประกอบชาวพลกนะคะเวลานั้นนางสาวประกอบเพิ่งตื่นนอนทันใดนั้นก็ได้เกิดไฟลุกไหม้กองเสื้อผ้าของนางสาวประกอบขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุค่ะนางสาวประกอบก็ร้องโวยวายขึ้นนะคะตำรวจก็ไปช่วยดับไฟให้ ไฟไหม้ครั้งที่2เกิดขึ้นในตอนบ่ายขณะที่นางสาวประกอบเข้าไปในห้องนอนของตนความที่เจ็บใจเสื้อผ้าถูกไฟไหม้เมื่อตอนเช้าแล้วก็พูดท้าทายออกมาเสียงดังค่ะว่าแน่จริงไหมอีกสิพูดขาดคำไฟก็ลุกขึ้นมาที่กองพ่อห่มซึ่งพับไว้นางสาวประกอบก็วิ่งร้องโวยวายออกมาจากห้องตารวจก็ช่วยดับเพลิงอีกตามเคยนะคะ เรื่องของไฟไหม้โดยไม่มีสาเหตุเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าอีกที่บ้านของร้อยเอกอุดมทําให้พลตํารวจเอกประเสริฐนะคะ อ, อธิบดีกรมตํารวจสมัยนั้นให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ได้มีคําสั่งกําชับลงมาให้ตํารวจทองที่สอบสวนหาสาเหตุให้ได้แต่ว่าตํารวจพลผาชายเขต2ซึ่งเป็นเจ้าของทองที่ไม่สามารถสรุปสํานวนการสอบสวนได้ว่ามีสาเหตุที่แท้จริงจากอะไรจากการประเมินสถานการณ์แล้วก็ข้อสงสัยนายนตำรวจบางนา ให้ความคิดว่าอาจเกิดจากการใช้สารเคมีบางตัวซึ่งทาป้ายแล้วทาเอาไว้สารเคมีตัวนี้จะค่อยๆ ค, คายความชื้นออกมาแล้วดูดความร้อนจากอากาศเข้าไปแทนทำให้เกิดไฟลุกได้แต่เท่าที่ตรวจหาร่องรอยต่างๆก็ไม่พบนะคะว่ามีสารเคมีใดๆแเปื้อนวัสดุหรือว่าเสื้อผ้าที่เกิดไฟไหม้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะ การตั้งสมมุติฐานเรื่องสารเคมีที่เกิดการลุกไหม้ได้เองทําให้ตํารวจตั้งข้อสงสัยไปที่นายพินิษบุตรชายของเจ้าของบ้านซึ่งนายพินิษฐ์นะคะเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาก่อนและก็ดูท่าทางจะไม่เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะเนื่องจากนายพินิษ์โตเป็นหนุ่มแล้วหากยังใส่กําไลข้อเท้าเหมือนเด็กๆแต่ว่าตํารวจนะคะก็ไม่สามารถหาหลักฐานใดๆ ไ, ได้นะคะว่านายพินิษมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดไฟลุกไหม้ครั้งก่อนๆแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหมดทางพิสูจน์ว่าไฟไหม้เกิดขึ้นได้อย่างไรจึงได้ขอร้องให้เจ้าของบ้านและทุกคนในครอบครัวออกไปพักที่สถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวซึ่งร้อยเอกอุดมก็ยินดีปฏิบัติตามเพราะว่าในระยะหลังๆค่ะทุกคนต่างเกิดความหวาดกลัวอย่างมากพอตกกลางคืนนะคะก็ต้องมาอยู่รวมกันที่ห้องชั้นล่างไม่กล้าแยกไปอยู่ในห้องส่วนตัวเช่นแต่ก่อน หลังจากที่ร้อยเอกอุดมพาครอบครัวไปอยู่ที่อื่นแล้วตำรวจดับเพลิงก็ยังเฝ้าที่เหตุการณ์ต่อไปน่าแปลกที่ไม่มีไฟลุกไหม้ขึ้นอีกเลยค่ะคล้ายกับว่าผู้ที่บันดาลให้เกิดไฟลึกลับนั้นต้องการกลั่นแกล้ง ก, ลงกับครอบครัวของร้อยเอกอุดมโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ว่าภายหลังน้องชายของนางกิมส่วนนะคะไปให้เสียนนั่งทางนายตรวจดูบ้านหลังดังกล่าวเซียนบอกว่า ใต้ถุนบ้านของนางกิมซ่วนแต่เดิมนั้นมีห่วงซุ้ยอยู่แล้วก็มีวิญญาณอยู่ถึง6วิญญาณเป็นชาย3หญิง2แล้วก็เด็ก1วิญญาณทั้ง6กํำลังกโกรธแค้นนะคะที่รอยเอกกับนางกิมซ่วนทำอะไรไม่ถูกต้องไม่แสดงความเคารพนะคะเขาจึงได้อลวาดเต็มที่ ข่าวเรื่องผีบันดาลให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเองนี้น่าเสียดายที่ไม่มีการติดตามข่าวอีกต่อไปจึงไม่ทราบนะคะว่าครอบครัวของร้อยเอกอุดมได้แก้ไขสถานการณ์อย่างไรกลับไปอยู่บ้านหลังเดิมหรือไม่หรือขายให้กับผู้อื่นต่อไปแล้วและผู้ที่เข้ามาครอบครองบ้านหลังนี้ได้เผชิญอะไรมาบ้างนี่คือเรื่องพูดผีวิญญาณที่แผลงฤทธิ์ได้จริงๆกระทั่งปรากฏเป็นข่าวและก็มีหลักฐานยืนยันได้ดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นนะคะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราได้นามาเล่าให้ฟังก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมาค่ะทางภาคใต้อยู่ดีๆนะคะไฟก็ลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุจนมีการตั้งกล้องจากทีมผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็เกิดการฟ้องร้องจนถึงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะแล้วก็ทางเจ้าของบ้านนะคะก็ฟ้องร้องผู้สื่อข่าวค่ะ